งธรรมต่ออีกเพื่อ <c oughs> เกิสิ่งที่เราจะต้องได้ชำนิชำนานในการใช้ชีวิตโลกเราเป็นถือว่าเป็นนักกรรมฐานสร้างสติ เมื่อิตได้มาไวๆได้ใช้มาไวก่อนอะไรทั้งหมดมาเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกากับใจทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ามันมีติตมาไวความหลงจะมาก่อนความทุกข์ความโกรธความโลภปัญหาฮาราต่ า, างๆจะมาเทมาก่อน ก็เลยเป็นภาละไปถ้ามีสติมาไวๆจะสะดวกในการใช้ชีวิตเพื่อประกอบการงานอาชีพไม่มีอะไรติดขัดเราจึงหัดถ้าไม่หัดมันไม่เป็นปล่อยให้เป็นไปธรรมชาติมันไม่ใช่ธรรมชาติ กายใจของเราเนี่ยมันมีการโพนเพื่อนอะไรมากมายอาจจะไม่เหมือนพืช <c oughs> มันมีสัญญามันมีสังขารมันมีวิญญาณมันมีอะไรต่างๆที่มันเอื้อมหน่วยให้เกิดภาระต่างๆมากมาย จนเรียกว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดเราจะมาหัดกันชีวิตของเราเพื่อการนี้โดยตรงเพื่อมาหัดให้มันประเสริฐให้มันใช้ได้ถึงมากถึงผลถ้าไม่หัดมันก็ไปทางต่ตําไปสู่อ บ, บายเป็นเปรตเป็นสนนโลกเป็นไรชานบ ก็ทูลูจึงพูดว่าชีวิตของคนถ้าไม่หัดไปชั่วบายเท่ากับขนโคถ้างัดมันก็ไปส่สุขติเท่ากับขนโคลสุมากสุ ข, สขนเท่ากับขนโคไปสั่วบายเท่ากับเขาของโคถ้าไม่ถ้าม่หัดไปสู่ มักผลเท่ากับเขาโคนิดหน่อยเราจะสละจิทธิอย่างนี้มันก็เสียชาติจะมาหัดกันแล้วก็เป็นก่อเป็นกรรมขึ้นมาหัดได้ทำได้ที่แรกก็หัดรู้เพื่อไปเปลี่ยนหลงเป็นรู้จะมีอันมีการงานทำ งานความหลงมาให้เราทำให้เปลี่ยนเป็นรู้ร่าหัดทำให้มันเป็นถ้าหลงถ้าหลงเป็นหลงยังทำไม่เป็นยังไม่หัดก็มีความหลงเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตลอดเวลาจนเป็นเจ้าเลือนเป็นจริตนิสัยโมหะจริต หลงเป็นเจ้าเรือนออกหน้าออกตาอย่างนี้มันก็สูญเปล่าชีวิตเราที่จะเกิดบัณนตีขึ้นก็เลยเสือเส่อมลงอายนะเสื่อมลงเรื่องงานของเรามีสะติมาเป็น เจ้าของผู้ดูเหมือนเรานั่งอยู่บ้านเพ้าบ้านหรือว่าทำงานทำการกับมือกับตากับการสัมผัสใหวันรู้ทันเราก็อาสายอย่างอื่นวิชากรรมฐานเป็นปรมัติตจะเห็นอะไรเห็นของเท็จของจริงพงร้อมกันขนาดที่สัมผัสนั้น ไม่ใช่เป็นสมมุติบัญญัติชีวิตเราเป็นปรมาจสัจะเราจะใช้ปรมัจิตอย่างไรให้เป็นก่อเป็นกรรมขึ้นมาถ้าไม่ใช่ป ร, ม, ร, รมัติก็ม่ได้สมมติสมมติเนี่เป็นไปหลายอย่างปรมัจิเป็นนั้นเดียวความหลงความเทิดความจริงเป็นนันเดียวง่าย ถ้าให้เป็นสมมุติไปมันกลมมากเป็นเรื่องอื่นเชิงเอื่นเรื่องเอื่นไปเกี่ยวข้องกับเชิงเอื่นวัตถุอื่นไปเป็นทุกข์เป็นโทษไปกลมหลงเป็นสมมุติความไม่หลงเป็นปรมาทิยใช้ตอนนี้ความทุกข์เป็นสมมุติความไม่ทุกข์เป็นปรมาติยความโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็นปรมาติ เราจะใช่แต่สมมติมันก็ถูกหลอกไม่จริงสักทีเสียเปรียบเสียเวลากับสมมติปัญญิแต่สมมติปัญญางก็ใช้ได้เอามาสร้างสรรค์เช่นเข้าพรรษาออกพรรษาเป็นสมมติปัญญิเพื่อใช้เป็นประโยชน์เป็นศาสตร์ที่ที่ดี เข้าปรรษาเป็นศาสตร์ตีออกวรรษาก็เป็นศาสตร์ที่ดีเพื่อมหมาใช้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตเรากับการงานกับสังคมอะไรที่ที่จะต้องทำดีในช่วงเข้าปรรษานี่มีโอกาสเต็มที่มีสมีสมมติวัญหยตดให้ลางานลาการ ออกมาบวชถือบวชเป็นอุบา ย, บายที่ว่าในคะบารมีเป็นการสร้างบารมีอันหนึ่งเหมือ น, นกันเสริมเข้าไปเป็นเสาเสาค้ำเข้าไปให้มันให้มันแข็งแรงในการใช้ชีวิตเมื่อหากว่าเราหงัดเช็นเข้าบรรชาเลิกเล่า เข้าพรรษาเลิกบุหรีเข้าพรรษาถ้าได้เลิอกอะไรเท็บนั้นไม่ดีไปในสามเดือนเนี่ยนั่นก็จะลบหมดพิษหมดภยัยลองไม่สูบบุรี่สามเดือนไม่จินเหล้าสามเดือนเชื่อมันจะหมดมันจะไม่มีเชื่อเหลือ นิสัใจคอก็เหมือนกันเคยอดเคยทนเคยปล่อยตามปล่อยก็ยับจัง้งชั่งกิตก็จะแข็งแรงขึ้นนอกจากนั้นเราก็อธิษฐานเทวันชาทาอะไรสักอย่างนี่ว่าวัดปฏิบัต เอกานิกังฆ์ฉันอาหารมื้อเดียวเป็นวัดในบินทบารดเป็นวัดหรือผ้าสองพื้นเป็นวัดอะไรต่างๆที่แล้วแต่เราจะสมาทานเพื่อให้แปลการพัฒนาชีวิตของเราในการพัฒนาชีวิตของเราที่เป็นวัดต่างๆว่าเป็นประโยชน์ ต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นต่อส่วนรวมต่อตัวเองนะ่ะมากที่สุด <c oughs> นี่คือสมมุติปัญญัตสร้างสรรส่วนตัวส่วนรวมได้ถ้าออกภญษา <c oughs> ก็มีเป็นสมมุติวิัญญัตสร้างความสมานสมัคีปวารณา สร้างกันละาณนามิตรให้เกิดขึ้นปองดองกันให้เกิดขึ้นสละยะละยะยาวเป็นสัญญาใจสัญญาใจปองดองให้ถึงหัวใจหัไทยของเราว่าเราเป็นสัญญากันไว้แล้ว ว่าจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันสัญญาแบบนี้เรียกว่าญาติธรรมญาติธรรมแบบนี้ไม่มีการทะเลาะวิวาทกันไม่มีการเอาลดเอาเปรียบกันไม่เหมือนญาติทางสายโลหิตญาติทางสายโลหิตอาจจะทะเลาะกันได้เฉยค่ากันได้แต่ญาติทางธรรม บาญาณธรรมกัลยาณามิตรนี่มันปองดองมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เป็นด่ <c oughs> างสร้างสรรค์จิตใจก็พุ่งหวงขึ้นเรามีมิตรเรามีเพื่อนมันไม่ลืมการสัญญาแบบนี้ปร า, ารานาแบบนี้เวลาเห็นกันทีใด หรือเวลาเราทำดีเวลาเราทำชั่วผิดพลาดก็สำนึกถึงการปรวาวรณาเราสัญญากับเพื่อนแล้วจะเป็นความคิดการพูดการทำที่ไม่เหมาะสมต่างก็หลอกก็สำ่รวมหลงมาละอายใจไม่ใช่ละอายเพื่อนในพูดแล้วละอายใจ ถ้ามีความละอายใจแลวก็พูดชั่วทาชั่วคิดชั่ ว, วาะอยู่ในคติที่จะเป็นเทวธรรมเป็นมากเกินผลเกิดขึ้นมาได้ภายในคิดของเรายิ่งเราได้ปฏิบัติธรรมเข้าไปอีกหลายเส้นหลายทางเข้าไป ชมทางเข้าปอยจะเลือกใช่ได้ดีอวารณาก็เคย <c oughs> เคยสร้างขาวัญษาเคยสร้างกรรมฐ า, านเคยสร้างเจริญสติกยเคยสร้างทำไม่ไหนเคยนำมาปฏิบัติก็ ชำนิชำนานในความดีตามความชั่วได้ยากตามความดีได้ง่ายถ้ามีนิสยัยมีสติมีสมาสัญญาห้ามันยังลึกลงไปในกายในหัตถทใของเราเหมือ น, นกับ ทุ่งนาแต่ก่อนมีแต่หญ้าปลูกข้าวหลงป่ไม่ทุง่งนาที่มีหญ้าก็กลายเป็นทุ่งหลวงทองมีประโยชน์เหมือนกับป่าวัดของเราตอนทางตอนเหนือของวัดติตะวันออกถึงติดตะวันตกมีแต่ป่าพงป่าหญ้าคา เป็นเชือกของไปไหม้กิบหายลายวอดไปแล้วก็เอาต้นไม้ไปย่งลงแทรกหลงไปด้วยความพยายามแทรกลงไปแทรกลงไปตรงไหนไม่ยาา่า้าป่าพองแทรกต้นไม้หลงไปกลายเป็นป่ากลายเป็นดงขึ้นมา ดีกว่าป่าหญ้าคาดีกว่าป่าพง <c oughs> ในกายในใจเหล่านี้เราโอกลงไปมีสติลงไปความรู้สึกตัวลงไปความหลงจกหนีไปความทุกข์ความโกรธอะไรปัญหาจะหนีไปหมดไปเป็นอันใหม่มาแทนเยี่ยว่า ชีวิตใหม่นวะว่าชีวันชีวิตใหม่เอี่ยมไม่เปิดไม่เพื่อนความหลงเปิดเพื่อนความโกรธเปิดเพื่อนความทุกข์เปิดเพื่อนอะไรต่างๆทําให้เปิดเพื่อนในกายในใจก็มีสติก็บริสุทธิ์หรือว่าพรหมจรรย์หมดจดจากเครื่องเศร้หมองในโลกโกดหลงเป็นต้น ที่มันเคยอยู่ในกายในใจของเราเ้ากายไปทำชั่วเอากายไปทำผิดไม่มีเช่นแล้วกายทุจริตสอมอย่างอาสัรดรักทรัพกพฤ่อิดในกรามทั้งหลายไม่มีเมื่อเมื่อเมื่อไม่มีทุจริตสามอย่างนี้อะไรไม่เกิดขึ้นนาคบางที่เป็นความดี ต่างวาจากข้ามาโนทุจริตพูดเท็จพูดโสเสียพูดรมหยาบพูดเพ้อเจอ้อเป็นฉินกรรมบับบดโกชลกรรมบทดนะจอังกียจก็ไม่คิดเห็นผิดทำนองคองธรรมไม่ภัยบาทปองร้ายไม่ อะไรหลายอย่างอืมันก็เป็นกุศลธรรมบทตรกรรมบทเป็นกรรมที่เป็นกุศล เ, เกิดขึ้นในหาไทยในการในใจของเรานี้ถ้ามีสติเข้าไปยังลากลึก๊กองไปก็รู้สึกตัวอย่างไปที่กายยังไปที่จิตใจเหมันเป็นมากเป็นผล ขึ้นมาโดยการประกอบแบบนี้ไม่ใช่กันอ้วนว้อนแต่ลายได้ความหลงยังไปที่กายที่ใจมันก็เป็นอามายไปเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นอารกเป็นเปรตไปจะให้พลาดใชัไ มาทำนี่มาทำงานแบบนี้กันจะได้อยู่เยินเป็นสุขในการใช้ชีวิตของเราแน้่ยเราก็ทำได้ไม่ยากไม่มีอะไรอ้างอันอื่นยังมีการอ้างได้แต่การวิชากรรนฐานนี่ไม่ต้องอ้างบางคนก็ จะให้ทำอย่างไรเมื่ออยู่ในนี้ก็สงบมีใจเย็นดีเวลาศึกขาหลายเพศออกไปจะไปใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่อันเดิมอันเก่าก็คือกายคือใจตรานี้เราหัดทางไว้แล้วเห็นทางเหยียบเส้นทางไว้แล้วดำเนินไป ไม่ใช่กายอันใหม่ใจอันใหม่ปัญหาก็ไม่ใช่อันใหม่เ <c oughs> องหลงเป็นบิดามารดาความชั่วของลูกฉึกตัวเป็นบิดามารดาความดีก็มีเท่านี้กายอยู่ทไหนใจอยู่ทีไ่ไหนก็มีความรู้ชิดนานไม่ใช่อยู่ที่นี่ <c oughs> ล้วก็ใช่ไปดำเนินไปยิ่งเวลามันหลงก็ยิ่งดีจะได้ใช่จะได้ชำนี้ชำนาญวานทีถ้าเราหัดเราก็ใช้เป็นใช้เป็นที่ตอนที่มันผิดถ้าไม่หัดมันผิดก็เป็นผิดถ้าหัดแล้วใช้ได้เมื่อผิดก็เป็นถูกได้ถ้าหัดเป็น น่าจะเก่งตอนที่ที่มันยากตอนง่ายไม่ค่อยเก่งหนกักตอนที่มันยากเลยเก่งแสดงออกมาเหมือนคนขับรถเก่งไม่ใช่จับพวงมาลอยเหยียบคันเล่อนงานพาวิ่งไปอันนี้มันยังไม่เก่งคนขับรถเก่งต้องในโอกาสที่มีปัญหา เวลรใดมีปัญหามีปัญญาตรงนั้นดรปลีกเป็นบางทีกายเคยหัดกายมันก็แสดงออกมาอาจจะเหยียบเบรกไม่ต้องใช่ไม่ต้องใช่หัวคิดอะไรทำยังไงทำไงไม่ต้องใช่ทำยัง ไ, ไ, ไ ง, ง ไ, ไม่มีแล้วมันดำเนินไปเองเหยียบเบรกกดแต่ มันเป็นไปเองมันหัดเป็นอะไรที่เราทำเป็นเวลามีปัญหาตอนนั้นหละจึงจะเรียกว่าทำเป็นทำได้เคยเลือกใช้อะไ ร, ะไรเห็นอะไรคี่มันไม่ถูกมันก็เห็นความถูกตรงนั้น โดยเฉพาะเรื่องกายเร่องใจเราเนี่ยความผิดอยู่ตรงไหนความไม่ผิดอยู่ตรงนั้นความทุกข์อยู่ที่ใดความไม่ทุกข์อยู่ที่นั้นความโกรธความโลภความหลงเกิดกับกายกับใจอยู่ตรงไหนเมื่อไรความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราเคใช่มามาให้เราใช้อะ ยิงใช่ยิ่งมากถ้ามาใช่ก็ไม่มีบารมีท่านจึงว่าลักยาวให้บัน่นลักชั้นให้ต่อคือภาวะ น, นี้ถ้ามีความรู้ความหลงก็ชั้นลงถ้ามีความหลงความรู้ก็ชั้นลงถ้าต่อให้ ความรู้มันยาวก็บัดทวมหลงลงเวลามันหลงไม่หลงความรู้จะยาวไปถ้า <c> ห <oughs> ลงเป็นหลงความรู้ก็สั้นลงได้โอกาสตรงนั้นแสดงฝีมือตรงนั้นถ้ามีความยิ้มก็ยิ้มได้ตรงนั้นในที่มีปัญหานะั่นน่ะ หรือโอกาสเนตรงนั้นอย่าให้พาดสชา้อย่าดื้อย่าด้านตรงนั้นอย่าหยาบตรงนั้นให้ท่องแ้วตรงนั้นอย่าเปิกหนาสาโหดที่ตรงนั้นไม่ใชไม่ชำนานตรงนั้นชีวิตอยู่ที่ไหนก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่สุกโต อยู่ในการในใจเรานี้อัดให้เป็นจะได้ใช้การการใช้การใช้ใจที่มันถูกต้องอ่าเป็นมากเป็นผลน่าเป็นมากเป็นผลก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นล้อมเป็นวงจร กระทบกระเทือนในทางที่ดีได้นี่คือกรรมฐานแต่จะมีสมมุติมันหยัดชโอกาสสมมุตินั้นก็เกี่ยวข้องกับกรรมฐานเข้าไปเอามาประดับวิชากรรมฐานเข้าไปพิธีกรรมอะไรก็ตามเอามาประดับอย่าให้เป็นพิธี าศาสนพิธีเฉยๆให้เป็นาศาสนธรรมอยู่ตรงนั้นด้วยเช่นจัดดอกไม้เนีว่ า, าศาสนาพิธีอะไรเป็นจัดดอกไม้มันออกไปจากหัวใจหัตไทยของเราปวดบ้านทุเรือนเป็นพิธีถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่สาด ปวดหัวใจไปด้วยรางแก้วรางถ้วยล่างหัวใจไปด้วยไม่เห็นยก่ตัวสนุกไปกับการงานบบบบานใจงานชอบมนวมันเป็นความชอบปวดบ้างก็เป็นงานชอบทำความศกปกให้เป็นของสดอดไปคิดว่ายากลาบาก ล่างถ้วยล่างชามอะไรที่มันเป็นความร่า้เป็นความดีนั่นล่ะไม่ใช่เราจะนั่งอยู่เฉยๆเราก็เป็นมีทุละมีพ่อมีแม่ <c oughs> มีเพื่อนมีเม็ดมีเป็นเป็นลูกเป็นเต้าของพ่อของแม่เป็นปัญญาสามีก็จะมีประโยชน์ ไม่ใช่ไม่ใช่เราไปคนเดียวเป็นปัจเจ ก, กพุทธตายทิ้งไปเป่าๆไม่สร้างสรรค์อะไรที่เป็นประโยชน์ก็ได้แต่ว่าเป็นประโยชน์จัดช่องน้อยเฉพาะตัวปัจเจ ก, กพุท ธ, ธมีมากไม่ได้ประโยชน์จากอะไรไม่เป็นประโยชน์ต่อโลก พระพุทธเจ้าของเราเน่ประโยชน์ต่อโลกโดยตัทธกิริยาบำเพ็ญตนประโยชน์ต่อโลกอย่าตัทกิริยาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณญาติทั้งหลายพุทธะกิริยาประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ให้มันกว้างใหญ่ไพศาลนี่เลยว่าไม่ใช่ปัจเจกพุทธเป็นสัมมาสัมพุทธโธศา ส, สนาพุทธคำสอนของพทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธโธเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตเราก็ออกมาเป็นชีวิตของเรา การอาวดขึ้นของพระเจ้าเกี่ยวกับเราด้วยคำสอนที่พระเจ้าได้อวได้ตัดจัลูมีธรรมทำอะไรเท็มทำให้เกิดการตัดจัลูเป็นเรื่องของเราด้วยอัามารมเราก็ทำได้เรื่งต้นจากการเจริญจติตนี้ในวันที่ เกิดพระุทธเจ้าขึ้นมาทำอะไรแล้วก็นี้พระสูตรก็บอกว่าการคู่แขนเข้ามีสติการเหยียดแขนออกม่ส ต, อสติอะไรที่มังอยู่ในกายนี้ให้มีสติเป็นหน้ารอบไปคืนเดียวเท่านั้นเองทำอย่างเนี้ยไม่ใช่แมากมายอะไร แล้วก็กู้แขนเข้ามีสติได้เหมือนกันเหยื่อฉันออกมีสติได้เหมือนกันเดินไปข้างหน้ามีสติถอยกลับมาข้างหลังมีสติจับที่อนมาครองมีสติไลโยงมีสติเกิดทางใจที่มันเกิดขึ้นมาก็มีสตินั้นจะหมกปนคุณคิดไปทางใดมีสติ แล้วก็เป็นหน้าโลกเห็นกายเห็นใจทุกแง่ทุกภูมิจนตื่นตื่นกายตื่นใจเลืยกวพุทธโธพุทธโธตื่นบางอย่างเปินจากความไม่เที่ยงตืกนจากความทุกข์ความหลงความโกรธ ตื่นจากที่เรียตั้หาตื่นจากอะไรเบอดจากภาวะที่หลงเมื่อหลงก็เกิดการปรุงแต่งเป็นสังขารตื่นขึ้นมากับเปลี่ยนสังขารเป็นบิสังขา ร, เ, ขารเหมือนกับไหนไหนเต่า ที่มันเดินเช่นแม่เอาเต่ามาให้ลูกเล่นจะเอาวางไว้มันจะคลานหนีลูกคลานด้วยไม่ไม่เป็นเอาให้เด็กน้อยดูแล้วเวลามันจะคลานไปแม่ก็หงายท้องมันขึ้นมามันก็ดิน้นเนวาๆคลานไม่ได้ลูกก็ดูไปปีนมันให้มันหงาย หายของเธอความขึ้ น, นเห็นก็ไดยดวนนองเปลี่ยนสังขารเป็นมิสังขารโดยซื้องดหนามมากตัวนี้มีผีมือมากอาจจะตะโกนลมงมาในหาไทยว่าโอ้ยตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะเรื่องความคิดแน่นอนแล้วมันเห็นแจ้งเหลือเกินตรงอนว ไอ้ชื่อว่าสุขว่าทุกเกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วในชาตินี้ว่าอย่างนี้อันเปลี่ยนสังขารแป็นมิสังขาร น, น่มันยอดเยี่ยมมากเลยคิดของเราตื่นขึ้นมาแน่นอนตนัวนนะต่างเก่าพ้นภาวะเดิมพ้นภาวะเก่าพ้นภาวะเดิมได้ ไม่ใช่หนีไปไหนนั่งอยู่นี่หละถ้ามันเปลี่ยนได้ตรงนี้ถ้ามันเห็นแจ้งตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งหนีไปไหนสังขารมีอยู่ที่ใดแล้วเป็นการโชว์ฝีมืออย่างยอดเยี่ยมตลอดพบตลอดชาติ เ, าเราเป็นไงฐานะของด้านไหมดื้อไหมหลงก็หลงอยู่โกรธก็โกรธอยู่ทุกข์ก็ทุกข์อยู่ โอภู้าผ้อยู่นอนแล้วสังขานดีใจเสียใจคิดกันมากบปงแตงไปนอนอยู่ก็ปงไปไม่ใช่ไปวิ่งอะไรมันคิดไปนอนก็โดยไม่หลับหังปุ้งไปอยู่คิดเรื่องเก่าขี่ข้างขี่หนทุขทุกเรื่องเก่าๆเท่าไหรน่าจะตื่นบ้างแล้วเหมือนเหมือนยักษ์กลมผ่านเลย ยักษ์กรมพันยัไม่ตื่นนะกระนาก็ไม่ตื่นนะเหมือนพระสฉดว่าถาดทองจงไปขึ้นหน้าเฉียงถาดทองซ้อนกันกุกุสันโถดงัดงแค๊แคอ้พระพเจ้าอุบัตขึ้นแล้วน้อนหน่อยนะ น่าไดเย็นแจ็กหลับต่อเองโกนาคโนอีกธาที่สองซ้อนลงไปศาสตร์แจ๊กโอ้โหเจ้าตัดสรูขึ้นอีกแล้วเลยสองโกหลับต่อเองโกโกตชะโปแจ็กลงไปธาที่สามตื่นเหโอ้โหเจ้าตัดสรูขึ้นแล้วเลย จนถึงโคตมโมคือพระพุทธเจ้าห้าพองผ่านไปแล้วกลาลนาคยังนอนไม่ตื่นได้ยินต่เสียงถาดล้วก็รั่วตัดรู้แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวอ่องเลยหลับเลยไปเป็นกลนาลนาคอย่างนั้นเลยชืิตของเราความดีมีเยอะททำไมไม่ตื่นสักตีความชั่วมีเยอะทำไมไม่ ตื่นแท้ตีถ้าไม่ตื่นนันนี่นะเป็นกระนาดแน่นอนนั้นหลง่ายังหลงอยู่ได้ถ้าจะตื่นขึ้นมารู้ขึ้นมานะมันจะต่างกันมากมากเลยนะตรงนั้เหมือนกับแสงสว่างกำจัดขมเมือกนี่วะวิปัชาณาเกิดขึ้นแบบนี้นะตื่นหลงตื่นทุกข์ตื่นโกรธตื่นสังขารทั้งหลายอืมเนี่ย กรรมฐานมีไง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกับการทำไร่ทำนาค้าขายการทำไร่ทำนาค้าขายก็เรก็คล้ายกันแต่ว่ารู้จะไขร้มเข้ารร้จะปล่อยน้าออกนี่คือทำนาน้ำท่วมไขน้ำออก น้ำแห้งเอาน้ำเข้าชีวิตของเราก็เช่นกันจริงจะได้ผลเต่ามันมีปัญหาควรจะมีปัญญาตรงนั้นมันก็มันก็ตรงกันพอดีเลยมันจะถึงตงัวไหนสติ เวลามันหลงมันรู้มันจะเก่งตรงในสติถ้าสติเป็นชีวิตชีวาก็จานี้จานานตรงนี้เวลามันหลงรู้เวลามันทกข์ู้เวลามันโกรธรู้เวลามันแกีมันเจ็บมันตายลูกโนอนสุดยอดเลยสุดยอดท่าไทยมองกุดทำเหนือแจ็เจ็บตายชีวิตเรานี่เพื่อการนี่โดยตรง จะได้มาลองให้เสียใจไม่เป็นทุกข์เป็นโทษ อ, อกผัก อ, อกพักพัดภาคจา ก, ก, กของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้ไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ได้ไหมมันก็ต้องได้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วอย่างานี้ทำอย่างไร จึงจะพ้นจากความทุกนี้ได้ทำเช่นไหนก็พระเจ้าก็โชว์ชวไปเนี่ยอุทิศ อ, อ, อรหันตังสมาสัมปทางอุทิศคือทำตามทำตามอรหันทำตามพระละหัน ตัวเจ้งงาทำงานไปเลยงองข้ามตกกันข้ามเห็นฝั่งท่นลุนอบบุทิศเาคือไปใช้คิดไปนั้นเราเห็นฝั่งแหวกว่ายไปอย่ยาจมลงไปอุทิศเจ้าหนังตังส ม, มาชุมทังแล้วก็สาธยายพระสูต มาทุกวันเอาตามสูตรนเนี่ยมันหล ง, งหล ไ, ไม่หลงน่ยอุทิตสะหันตังท้ารหัสคะคือไม่หลงพุทุชนคือหลงท้ารคือคือไม่ทุกพุทธชนคือทุกโอทิตไปทานนท้าหรหัสคืออะไคือไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่ไมปรุง นะอ่านอ่ะไปยาจมยาทุ ก, ท ก, ท ก, เ, ก, กเป็นทุกจมลงแล้วเอเลยบอกกลยสมาว่าเห็นทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากทุกเพราะมีสติเนี่ย <c oughs> นี่คือหลักอริสัจฉิตรงเนี้อ่ะใชัดเจนการใช้ชีวิตของเราเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจาความโกรธ ต่อไปเห็นมันแจ่ไม่เป็นผู้เจ็เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บพ้นจากความเจ็บมันตาย<ม>เห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายพ้นจากความตายในชีวิตนี้นี่ก็เป็นวันออกพรรษาวันนี้เมื่อวานเป็นมันปะวันละนาไม่ใช่ออกพรรษาแล้วหนั้นสารเกลีวกยวโภคใบโภยุไม่ใช่แล้วนานา สนุกสนานเหมือนคนออกจากคุกไม่ใช่เหมนไม่เหมือนคุกนะเอาพรรษามาถึงต่อไปข้างหน้าจะสะดวกห <c oughs> น้าพระกรรมฐานชีวิตกรรมฐานจะสะดวกใต้ฤดูฝนต้นฤดูห น, หหนาวสะดวกมากสันมีพิษก็ไม่ดกยุงก็ไม่ดกงูก็ไม่ดูนอนที่ไหนก็ได้ใ่ใช้ชีวิตแตบทุ ด, ดง สะดวกที่สุดในช่วงออกพรรษาขูดเกาอ่อเข้าไปบนเตียงใช้ชีวิตช่วงออกพรรษาเนี่ยจะสะดวกในเรื่องขูดเกามากที่สุดในจทติทุดงถืออย่างถือกรรมฐานถือทุดงก็ได้ลูกกับเงลวัดอยู่ในโพนไม้ อยู่ในป่าหาต่างๆได้ทั้งนั้นต่อเข้าไปอีกจะนกสนานดีน ะ, ะก็สมควรยชเวลาว่าฉินแม่ฉินสมาทานฉิน